สิขาบทที่9เรื่องพระชัพพคี604สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูจน์ชัพพะกีเมื่อรับบิณฑบาตรับเอาแต่แกงเท่านั้นพระบัญญัติ9พึงทำความเสเนียกว่าเราจะรับบิณฑบาตพอเหมาะกับแกงเรื่องพระชพคีจบ สิขาบทวิพังที่ชื่อว่าแกงได้แก่แกงสองชนิดคือวงเล็บหนึ่งแกงถั่วเขียววงเล็บสองแกงถั่วเหลืองที่ใช้เมื่อยิบได้ภิกษุรับบินฑบาตพอเหมาะกับแกงภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเลือกรับเฉพาะแกงมากต้องอบัติทุปกดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุรับแกงหลายอย่าง 6. ภิกษุรับของญาติ 7. ภิกษุรับของผู้ปรารณนา 8. ภิกษุรับเพื่อผู้อื่น 9. ภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน 10. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง1 1ภิกษุวิกลจริต 12. ภิกษุต้นบัญญัติสิขาบทที่9จบ